ร้อยมาพักยังวัดดอยทำมาเจดีมุ่งหมายไม่นายไม่นีหวังทำเต็มที่โดยไม่มีย่อนยานมุ่งตามพันลองของพระอาจารย์มานปฏิปทาน้อมน้อมทำตามทานโดยไม่มีวันจะพันแปร เร่งทําความเพียรทุกวันนั่งภาวนานานนานเกิดอัศจรรย์สิ่งอันไม่เคยพบเห็นดวงจิตระงับสงบเย็นเหมือนเดือนผ่องเพ่นนวลใสพุ่งออกไฟเหมือนไฟพระนี์ เมฆาสองนาภากว้างใหญ่โอ้จิตเรานี่เป็นยังไงนั่งสมาธิครั้งใดอัศจรรย์ใจว่าทำไมติิ์ุ่งไกลและแสนสว่า รำพึงข้นึงเห็นจิตอัศจรรย์โอ้จิตนี้สําคัญเหตุดใดสแสนประจางมองดูร่างกายทะลุเข้าในเรือนร่างเลือเพียงเงาเพียงร่างๆนอกนั้นสว่างสวัยให้เห็นอัศจรรย์นับวันก็ยิ่งแปลกใจเพิ่มความสงสัยหนักหนา จิตรานี่ใหญ่น่อทำไมนวนจ้าสว่างนักนาคิดยึงพางงไว้ความสว่างสวยของจิตที่พุ่งออกไปนั้นเหมือนกับไฟพเนียงที่เขาจุดฟู้ฟูและพุ่งกระจายขึ้นไปบนากาศนั่นเอง พอกำหนดตามดูมันก็พุ่งเรื่อยจนจรดก้อนเมฆเลยทีเดียวแสงสว่างของจิตนี้ดูสว่างสวายนิ่มนวลมากจนบอกไม่ถูกเมื่อมองดูร่างกายตัวเองก็เห็นเป็นเงารางเพราะความรู้ทะลุไปหมดสว่างสวัยมากพลางรำพึงอยู่ในใจว่าเอจิตเราที่ทำไมอัศจรรย์ น, นักพอนึกว่าจิตเราทําไมอัศจรรย์ น, นักหนาอยู่นั้นขณะจิตหนึ่งก็ผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันว่า ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแลคือตัวพบก็เลยยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกติดอยู่กับปัญหานี้ถึงสมเดือนกว่ายังตรงยังวางไม่ได้ทำให้หวนคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นถ้าทานยังอยู่ท่านต้องรู้และชี้บอกให้ได้และจิตอวิชชาปัญหาคาใจเช่นนี้มันจะต้องพังทลายขาดสะบั้นลงไปตั้งแต่ระยะเริ่มแรกอย่างแน่นอนที่เป็นอยู่เช่นนี้ก็เพราะอุบายเราไม่ทัน มีหนำซ้ำยังติดยังยึดมันเข้าไปอีกเลยต้องแบกปัญหาคาใจนี้อยู่แต่เพียงผู้เดียวและออกเดินทางลงจากวัดดอยธรร ม, มเจดีจังหวัดสกลนครผ่านป่าเขาดงดอนน้อใหญ่ไปจนถึงบ้านกระโหมโพนทองซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอท่าบ่อเขตติดต่อกันมีแม่น้ำอนเป็นเขตแดนและไปล้มป่วยอย่างหนักอยู่ที่นั่นด้วยโรคไข้เจ็บขัดในหัวอก